ทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสัสมนาสนท น, นามาแล้วค่ะสัมม น, นาภูมิดำเนินรายการนะคะรายการนี้ก็มีพระเพรื่อภิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโซอดรนธานีมาพบกับท่านเพื่อทําให้เราเข้าใจธรรมมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงต้นก็เป็นโอกาสพิเศษที่สุดสําหรับทุกทุกคนที่ฟังรายการนี้แล้วประสงค์ที่จะมีการปฏิบัติแต่ว่าก็ไม่สะดวกที่จะเดินทาง นะคะท่านสามารถปฏิบัติไปโดยมีครูบาอาจารย์นำได้เลยตั้งแต่ตอนต้นของรายการซึ่งตั้งท่าไว้เลยนะคะเพราะว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ไปแล้วเดี๋ยท่านจะพาท่านทั้งหลายไปพบกับท่านพบูลเดี๋ยวนี้แหละค่ะกลับนวมักการณ์กันนะคะเชิพอนในการที่เราจะมาปฏิบัติธรรมคือเราทําได้ในรริยบทต่างๆเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นการทําที่จิตแลการทําที่จิตนี้ก็คือทําให้สิ่ของเรานั้น มาตั้งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งหรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือ่ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาที่เราไปตกเบ็ดตกปลาแลก็มีเบ็ดเป็นเครื่องมือในการที่จะจับปลาเมื่อถ้าจับปลาได้แล้วเบ็ดหรือว่าเหยื่อเบ็ดนั้นเราก็ไม่เอาเหมือนกันในขณะนี้เราใช้เครื่องมือคือลมหายใจของเราในการที่จะล่อจิตของเราจากอารมณ์ต่างๆสิ่งนั้นสิ่งนี้ความคิดนั่นนี่ให้มันมารวมกันอยู่ที่นี่ ในเวลาที่มันมารวมกันแล้วนมันก็จะเกิดเป็นสมาธิเป็นความแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียวได้โดยเครื่องมือนี้ง่ายมากเราแค่มาสังเกตลมหายใจของเรามารับรู้ลมหายใจของเรามากำหนดรู้มาระลึกถึงมาใจจดใจจ่ออยู่ที่นี่แล้วในขณะที่เราใจจดใจจ่ออยู่กับลมหายใจหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยเครื่องที่มันจะมาทําให้ใจของเรานั้นมันแตกสั้นไปทางอื่น ไม่รวมเป็นอารมณ์ันเดียวไหลแส่ใยไปนั่นนี่แ้วก็มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นเครื่องกลางกันหรือเป็นอุปสรรคได้เคยเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้ว่าเปรียบเหมือนสนิมแห่งทองห้าประการเหล่านี้มีอยู่เป็นสนิมที่ทำให้ทองเศร้าหมองมีเนื้อไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานของช่างทองไม่ทรงรัศมีมีเนื้อร่วนและไม่เหมาะสม แก่การทำงานของช่างทองสนิมห้าประการนั้นคือเหล็กโลหะดีบุกตะกัว่วและเงินเมื่อใดทองปราศ จ, จากสนิมห้าประการเหล่านี้แล้วทองนั้นย่อมเป็นทองที่มีเนื้ออ่อนควรแก่การงานของช่างทองมีรมัศมีเนื้อไม่ร่วนและเหมาะสมแก่การกระทาของช่างทอง ถ้าใครปรารถนาจะกระทำเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนต้มหูสร้อยคอหรือสวุวรร์มาลาก็ตามก็จะสำเร็จประโยชน์แ ก, เก่เขานั้นนี้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสนิมแห่งจิต5ประการเหล่านี้มีอยู่เป็นสนิมที่ทำให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนโยนไม่กวนแก่การงานของจิต ไม่ประพัดสอนรุนเรและไม่ตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวกสนิมห้าประการเหล่านั้นคือความอยากในทางการความพยาบาทความง่วงเหงาหานอนความฟุ้งซ่านํำคาญใจและความเคลือบแคลงเห็นแยง้งเมื่อใดจิตปราศจากเรื่องเศร้าหมองห้าอย่างนี้แล้ว จิตนั้นก็ย่อมเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานของจิตเป็นจิตประพัดสอนไม่รนเรและตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความสิ้นไปแห่งอสวาได้นี่คือประสูนที่ให้เราใคร่ครวนวิเคราะห์ในเมื่อเรามีสติอยู่อย่างนี้แล้วก็ฟังไปด้วยทําทกิจการงานอย่างอื่นไปด้วยก็รู้ธรรมะได้เชิญปานค่ะสาธุค่ะสนิมจิตเทียบสนิมทองอ อันนี้ก็ะพุทธองค์ตรัสตั้งใจสอนอะไรเราคะเนี่ยเออเป็นเครื่องกางกั้นนะของจิตนะคือเวลาจิตของเราที่จิตมันไปรู้อารมณ์นั้นไปทําหน้าที่วิญญาณไปทําหน้าที่ในการรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยบางทีมันเอาไอ้ความที่รู้อารมณ์เนี่ยมาเป็นตัวของมันนะทำให้จิตมันเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเรากําลังจะแทนที่จิตมันจะยืดไปนั่นนี่โน่นเนี่ยก็ให้มันมารวมเข้าในการเดียวกัน แตนะ่สิ่งที่มันจะดึงจิตให้ยืดไปรู้นั่นนี่โน้น <c oughs> ก็คือห้าอย่างนี้เป็นเครื่องที่ทําให้จิตเศร้าหมองค่ะ <c oughs> เหมือนกับเปรียบเทียบนะผู้ชา ก, ก็เลยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเหมือนกับท อ, ทองที่มันจะมีเครื่องเศร้าหมองของทองนะีถ้าเราไปดูกระบวนการถลุงแร่ทองคําเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องเอามาล้างก่อนนะแล้วก็ผ่านความร้อนเพื่อให้สารปนเปื้อนพวกเขาจะเรียกว่า เ m มัล i ิ i ายของทองบนพวกอ l ลอ y เนี่ยของทองเนี่ยให้มันออกไปในโดยการใช้ความร้อนอเพื่อที่จะให้ทองนั้นมั น, มนบริสุทธิ์ขึ้นมาค่ะสนิมแห่งจิต5ประการ อ, อธิบายในส่วนสนิมแห่งจิตได้ไหมคะ5ประการนั้นก็คือนิวรนนั่นเองนิวรนเปลว่าเครื่องกลางกั้นค่ะคือทำปัญญาให้ถอยกำลังเป็นลักษณะที่ทำให้จิตนั้นเศ้าหมอง เครื่องกันกันอันแรกก็คือความอยากในกามความอยากความปรารถนาในกามก็ อ, อาจจะยังไม่ได้เสพอย่างเช่นว่าถ้าเรามาปฏิบัติธรรมไปรักษาศิ่แปลกอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยคุณกินอาหารมื้อเดียวแม้แต่ตอนเย็นมันก็หิวมันอยากกินข้าวนึกถึงอาหารที่เราเคยกินไอ้ความนึกถึงตรง น, นั้นเนี่ยเป็นความเศร้าหมองทําให้ใจของเราเนี่ยแทนที่มันจะมาจดจ่อยอยู่กับลมหายใจหรือใจเป็นประพัดสอนมันก็ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ใจเรามันอยากมันหิวโหวย มันหวยหามันก็ไม่ไม่จำสายแล้วทีนี้นี่คืออย่างที่1นึ่งค่ะหรืออย่างที่2ก็เปรียบเทียบความพยาบาทความเร่า ร, ร้อ น, นถ้าเราอยากได้แต่เราไม่ได้อยากให้อากาศเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นให้รเราก็จะมีความไม่พอใจความกุ่นเครื่องความขัดข้องความกุ่นเครื่องความขัดข้องความไม่พอใจความเร่า ร, ร้อนตรงนี้น ก, ก็คือพยาบาทนั่นเองอันนี้ประการกที่2 ค่ะพระท่านโทษคะ<ช>่ะพยาบาตทของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าต้องการจะเอาคืนนะคะอันนั้นก็ ด, ด้วย <เ en S 1> อ, อันนั้นก็ด้วยกับคนอื่นด้วยนีน่คือกรณีที่หนึ่งที่ว่าเราได้อยากได้แต่ไม่ได้นี่ก็ใช่ด้วยแตเราเห็นสัตว์มันกวนมันมาส่งเสียงดังเราก็เครียดกับมันเราก็ไม่พอใจมันอันนั้นก็เป็นความไม่พอใจเป็นความพยาบาทด้วยคะ่ะพระท่าพูดถึงความอยากความอยากได้อยากมีเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องนี้กับ คนที่ไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาแต่ตัวเองอยากมีแต่ไม่มีทําไงไปกู้มาไปกู้มาก็เดือดร้อนสินจเจ้าหนี่ถ่วงแตเช่นเดียวกันนะเราอยากได้แต่เราเราไม่มีอ่ะเราก็เลยอยากไอ้อยากเนี่ยเป็นความความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนอันที่3นะคือเรื่องของความทีนัมิทะในะนภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็คือความง่วงเงาหาวนอนความขี้เกียจ ข, ข, ขี้คร้านเช่นว่าบางทีเราง่วง เราเบื่อโอ๊ยไม่อยากทําเลยนะไม่อยากทำเพราะอะไรขี้เกียจนี่แหละคือตีนามิทะความง่วงเหงาๆนอนความขี้เกียจขี้คร้านความเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอยู่ตรงนี้นะอันที่3ก็คือความเ อ, อ่อเคลือบความฟุ้งซ่านความรําคาญใจนะฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะจะมารู้ลมหมยใจกับคิดเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมามันก็จะดึงจิตเราไปทางอื่นในความคิดที่ดึงจิตไปทางอื่นเนี่ยทำให้จิตมันไม่รวมเป็นอันเดียวได้ นะก็เป็นเครื่องการกันอย่างที่4ี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือความเครียบแคลงความเห็นแยง้งความระแวงนะอย่างเวลาที่เราถื อ, เ, อเงินเป็นแสนๆไว้ในกระเป๋าเงี้ยเราจะเดินไปขึ้นรถนะเราก็จะระแวงว่าไอ้คนนี้เขาเดินสวนมาเขาอย่างไงอย่างไงไหมนะความระแวงความเครือบแคลงตรงเนี้ยคือการที่บางคนเอ้ยใช่หรอว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกกับเปล่าทําไมไม่เป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะอาศัยเหตุคือความเครียบแคลงความเห็นแยง้ง เนี่ตรงนี้คือวิจิกิจฉาจะทําให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ตั้งมันม่นได้มันจะเป็นคิดไปทางกังวลคิดไปทางเขาจะหลอกเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นไปในใ<ช>นี้อุปสรรคอย่างที่ห 5, 5้อย่างนี้เนีเป็นเรื่องกลาง ก, างกางันต้องระวังให้ดีเป็นสนิมใช่เหมือนสนิมในทองท่านคะอย่างวิจิกิจฉาที่ท่านว่าเมื่อสักครู่ความลังเลสงสัยความระแวงอย่างนี้นะคะอายกตัวอย่างจะให้ฟังเนี่ยท่านช่วยตัดสินด้วย น, นะคะว่าอันนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาได้หรือไม่ เช่นสมมุติว่าเราไปนั่งอยู่ในพระอุโบสถแห่งหนึ่งแล้วเกิดความปิติอยากจะนั่งปฏิบัติเราก็มีกระเป๋าสตางค์อยู่ด้วยอืหลับตาไปกระเป๋าวางอยู่ข้างกระโบดนั่งก็มีคนอื่นเข้าออกอืเกิดความรู้สึกเป็นห่วงกระเป๋าไงคะ่ะออืมันนี้ใช้วิจิกิจฉาไว้ก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นอความกางังวลอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากามมันทะอืะกามมันทะอืแต่ถ้าระแวงนี่คือต้องระแวง สงสัยในเนื้อในคำข<า> <ผม S 1> องธรรมใช่ใช่ค่ะก็ใช่แล<ะ>้่ ะ, ะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นความฟุ้งซ่านด้วยนะคือเพราะเราก็ไปคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ทําให้จิตเรามันมาน้อมไปคือถ้าเราตัดตรงนี้ออกคือหมายถึงเช่นว่าถ้าไม่มีกระเป๋าไอ้เครื่องข้องตรงนี้ก็จะไม่มีค่ะมันก็จะช่วยลดสนิมไปมทำความเข้าใจคําว่าสนิมนิดนึงนะคุณยู่ติวค่ะคือเนื้อจิตเนื้อทองเดิมมีอยู่ ทองเดิมมีอยู่เป็นทองที่ดีที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนที่ใช้งานได้มีมีรัศมีงดงามแวววาวแต่พอมันมีเครื่องเศร้าหมองปุ๊บไม่ใช่ว่าเนื้อทองหายไปนะก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันมันไม่แจ่มเหมือนเดิมเข้าใจไหมสนิมทําให้เหล็กเนี่ยมันค่อยผุกร่อนไปผุกร่อนไปเนื้อเหล็กยังมีไหมคือถ้าไม่มีเหล็กเนี่ยมันมีสนิมเหล็กไม่ได้ถ้าไม่มีทองมีสนิมทองไม่ได้คือสนิมไม่ได้เกิดเองลอยลอยต้องมีเนื้อเดิม เช่นเดียวกันไอเจ้าไอสนิมจิตเนี่ยมันเกิดเองลอยๆไม่ได้มันต้องอาศัยจิตเกิดแต่เพราะฉะนั้นจิตอยู่ที่ไหนมันจะไปเกิดที่นั่นีน่จิตเราเดิมมีมั้ยมีแน่นอนมันถึงมามีสนิมเกิดขึ้นได้ออมันธรรมด า, างี้นี่ธรรมชาติของมันนะค่ะก็เข้าใจง่ายเลยค่ะ<ๆ>แล้วเรื่องของจิตที่ว่าเวลามันมันไปรับรู้อารมณ์นั่นนี่คือทำหน้าที่วิญญาณเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นช่องทางที่มันจะพาสนิมมา สนิมเหล็กเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าความชืนมม้นถูกต้องกับความชื้นแต่ถ้าเอาไปแช่ในน้ํามันเนี่ยสนิมเหล็กไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไปแช่ในน้ํามันสนิมทองก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าคุณขัดอย่างดีแล้วผิวเรียบนผิวของเหล็กหรือผิวของทองเนี่ยในทางแมททิลอไซด์เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าผิวเรียบเนี่ยโอกาสในการเกิดสนิมก็จะยากมากขึ้นเพราะว่าไอ้หน้าคอ t แทคที่มันจะไปโดนกับความชื้นโดนกับสภาพแวดล้อมมันก็จะน้อยลงบางสภาพแวดล้อมยิ่งชื้นมาก ยิ่งมีโอกาสเกิดสนิมได้มากก็านนั้ถ้าเป็นแห้งๆโอกาสเกิดสนิมก็จะได้หน่อยในช่องทางที่มันมากระทบเนี่ยมันมาทางไหนก็คือมาทางสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันจิตของเราเหนือที่เป็นจิตเดิมใสสว่างสบายอยู่เนี่ยมันจะเกิดเครื่องเศร้าหมองได้มันมาทางไหนมาทางภาษะภาษามาได้ยังไงเรารู้ได้ไงจิตเรารู้ได้ไงรู้ได้ทางวิญญาณรู้ได้ทางการรับรู้เพราะฉะนั้นจิตที่ไปทําหน้าที่การรับรู้นั่นแหละคุณเอาสนิม คือหมายว่าสนิมไม่ได้มาจากนอกนะสนิมเกิดขึ้นในใจแต่เอาสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้สนิมเกิดขึ้นมาเนี่ยเข้ามาได้ทางวิญญาณ น, นี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยมันก็จะไหลออกไปทางช่องทางห้าหกทางนี้ไม่ไปทางไหนแล้วก็เป็นช่องทางที่ให้สนิมมันเกิดมันเกิดขึ้นมานะค่ะอย่างี้ ถ, งถ้าผมว่าขณะนี้สมมุติเกิดถ้าท่านเป็นการเป็นผู้ฝึกปฏิบัติตแล้ว ท่านพิบูลยกตัวอย่า ง, างนี้ท่านคงจะพอนึกออกใช่ไหมคะว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวไปจากความพยายามของเราที่จะให้รับรู้อยู่อย่างเดียวก็คือรับรู้อยู่กับลมหายใจใช่แล้วพอไปรับรู้อย่างอื่นโดยผัสสะใช่ไมคะที่ท่านบอกอก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ถ้าเป็นอุปมาในคำสอนนี้ของพระพุทธองค์ก็คือสนิตตมตังว่านั้น แล้ว ถ, ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อให้เกิดสนิมยิ่งยิ่งมีโอกาสเกิดสนิมได้หนักมากเช่นอยู่ร่วมกับคนพาลอยู่ในสถานที่ที่เป็นอาโกจรดูการละเล่นดูอะไรที่มันเป็นค่าศึกต่อกุศลรรธรรมและยิ่งเป็นช่องทางให้สนิมเกิดขึ้นในใจเราได้มากก็หลีกเลี่ยงตรงนั้นซะอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงนี้นะคือเราเราแก้ไขได้คือบางทีสนิมก็พอกูนได้บางทีสนิมก็ขัดออกได้เนะช่นเดียวกัน เดบางทีจิตเราคุณไปปฏิบัติธรรมมาแหมจิตมันแจ่มใสมันดีออกจากวัดใหม่ๆสบายใจล่าเริงพอไปอยู่บ้านไม่ทําไม่ทัน5้าวันเดเริ่มวันที่6เริ่มแล้วเปลอะอล้มันก็สนิมมันก็เกิดขึ้นใหม่รก็ต้องมาขาดอีกเดีวันที่ไอตอนขัดมันก็เสียสีบ้างรู้สึกร้อนบ้างรู้สึกแสบบ้างอันนี้บางทีก็เกิดขึ้นได้เวลาธรรมะเนี่ยมันฟังแล้วมันรู้สึกมันมันขูดกลาอย่างงี้นะ มันก็ะจะลักษณะว่าการขูดสนิมออกก็เกิดกันได้อย่างค่ะทีนี้ฟังจากท่านหลังจากที่ดิฉันถามเรื่องอพื้นๆง่ายๆว่าหลับตาทำสมาธิอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านเนี่ยก็เกิดเป็นห่วงกระเป๋าห่วงข้าวห่วงของที่วางไว้ว่าใช่ความลังเลสงสัยหรือไม่ท่านบอกว่าไม่แต่ว่าเป็นกามอย่างหนึง่งนะคะทีนี้อ่าดิฉันอยากจะขอให้ท่านได้ช่วยกรูณาบอกเลยสําหรับผู้ที่อยากจะฝึกปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วจะ เอื้อต่อการไม่เกิดสนิมหรือว่าไม่เกิดอนิวอนห้าที่เปรียบเทียบกับสนิมเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะอย่างกับที่ฉันไปวัดของท่านเนี่ย <S <S ฉันจำได้ว่ากระเป๋าโทรศัพท์มีการเก็บไปก่อนยึดฝากไว้ค่ะเนี่ยค่ะเอาพื้นๆเลยค่ะทนรยใช่ตก็ต้องพูดถึงสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดสนิมน้อ ย, อยที่สุดคือสิ่งแห้งๆที่ที่ มีความชื้นน้อยนะปรีบเทียบกับมันที่จิตก็คือสภาวะทีอ่อยู่อย่างสันโดษนะความเป็นอยู่สันโดษมีบริการน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตอันนี้ข้อที่1นนะึข้อที่2การอยู่ใน เ, เรื่องที่หลีกเล่นในะที่ที่เสนาสนะอันส ง, งัดมีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกน้อยในะมีเสียงอก้ตึกคึกโรมน้อยเป็นที่ทำการรับของมนุษย์อันนี้คือข้อที่2 นะข้อที่3ที่จะทำให้จิตเรามั น, ม น, มนสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดสนิมในจิตน้อยลงคือการรับประทานอาหารที่พอประมาณนะพอกินเสร็จแล้วก็ยังมีท้องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้างเป็นผู้มีท้องอันร้องอยู่เสมอ <Okay. S 1> นะข้อที่4นะีคุณจะต้องอฟังธรรมอยู่เรื่อยนะเอาเสียงธรรมะเข้าหูจะเป็นเสียงสดมนก็ตามเป็นเสียงพระเทศก็ตามเป็นเสียงสนศนาธรรมก็ตามนะเข้าหูผ่านไปนะให้มันฟังเรื่องนี้อยู่เรื่อย ก็เป็นการให้สิ่งแวดล้อมกับจิตที่จะให้เกิดสนิมได้น้อยที่จะเกิดสนิมได้อย่าง น, นี้ข้อที่4ี่ข้อที่ห้าพระเจ้าได้เคยตรัสถึงอยู่ป่าอยู่ไซนาสณะอันสงัดอันนี้คือบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ที่ที่วัดได้แต่เราอยู่ในห้องว่างๆเรือนว่างนะที่ที่อย่างเช้าเชอย่างเงี้ยไม่มีกิจกรรมใดๆมากคุณยากจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะในการที่จะให้บรรยากาศตรงนี้ทําให้เกิดสนิมในใจน้อยลงก็ทําได้เหมือนกัน อันนี้5้าอย่างเป็นเบื้องต้นที่ให้เราปฏิบัติได้ค่ะเพราะว่าจะได้เมื่อรู้เทคนิคเมื่อเมื่อรู้เขาเรียกอะไรนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมชาติที่จะทําให้มีสนิมเกิดขึ้นได้น้อยนะคะเราก็จะได้เป็นผู้ที่เอาสนิมออกได้เร็วถูกต้องตัวนี้พระเจ้าใช้คําว่าสัปยะกษ์็ด้วยเหมือนกันนะเป็นที่สบายเป็นที่สบายมาถือว่ารวมทั้งหมด5ข้อหรือว่าเฉพาะข้ออยู่ปราศนาสนะเออทั้งทั้งหมดนี้เลยยจะเป็นที่สบายเก่ับการเปิดโล่งแห่งจิต ะะเราก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าที่ใดที่จะทำให้เรานั้นเกิดผัสสะได้น้อยเกิดกาวมาชันทะได้น้อยมีพยาบาทน้อยอมีอะไรนะคะมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งค่ะแล้วก็ความง่วงเหาห่อนฟุ้งซ่านทำการใจด้วยค่ะนั้นสมมติว่าอย่างกับในกรณีที่กรณีง่วง เ, เหงาหงอนนะคะ ภาษาบาลีว่าธีนามิทะเนี่ยจําไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าคําเหล่าเนี้ยพบกันบ่อยนะท่านฟังธีนามิทะคือความง่วงเหงาหานอนง่วงเหงาหานอนที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราง่วงนอนปกติธรรมดาไหมคะอจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเรานอนพอแล้วเช่นคุณนอนหกชั่วโมงแล้วแปดชั่วโมงแล้วแล้วคุณยังง่วงอยู่ไอ้ความง่วงนั้นแหละคือธีนามิทะอ้าวเลยคะดิฉันยังลึกเ่อรวมทั้งความง่วงธรรมดาด้วยเช่นสมมุติเรานอนไม่พอแต่ว่าเราจะไปปฏิบัติธรรม แต่เราไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของการนอนจึงทําให้เกิดการง่วงเหงาห่าวนอนอันนั้นถูกนับเป็นทีนะมิท ะ, ะ ừ, เอถูกนับด้วยถูกนับด้วยแต่ว่าวิธีการแก้จะไม่เหมือนกันอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเราควบคุมได้ป้องกันได้ด้วยตัวของเราเองเตรียมเหตุให้พร้อมก็คือสร้างเหตุปัจจัยให้พร้อมต่อการไปปฏิบัตินอนซะให้พออืออันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง <Gre> แต่ส่วนนอนพอแล้วยังเกิดความง่วงเหงาห่าวนอน ที่เรียกว่าถีนามิทธะอีกแก้ยงไงครท่านคะอันนี้ก็คือใช้เทคนิคเช่นว่าเราคลค ร, รวญธรรมะอันนี้จะแก้ได้ลุกขึ้นยืนเอาน้ําล้างตาเหลียวดูทิศทั้งหลายเอามือรูปตัวหรือว่ายอนช่องหูการเดินจงกรมการนึกถึงแสงสว่างผู้นี้จะเป็นเทคนิคที่แก้ได้แล้วถ้าเราเรานอนไม่พอจริงๆอย่างที่คุณยมติ ว, ว่านอนน้อยจริงๆเนี่ยวิธีแก้ก็คือไปนอนซะก็ะแก้โดยแบบนี้แก้กันละแบบกัน <laughs> แก้ด้วยไปนอนซานีชอบเลยนะคะผู้ปฏิบัติบางคนอาจจะบอกว่าไอ้เขาทาดีฮะเที่ยวการนอนไปเลยก็ถึงบอกว่าต้องนอนไม่พอก่อนนะคุณถึงจะใจวิธีนี้ค่ะประเด็นเรื่องสนิมนิดนึงคุณจมติ๋วธรรมชาติของสนิมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ว่าถ้าตอนที่ไม่มีสนิมเนี่ยสนิมเกิดได้ยากแต่ถ้าตอนที่มีสนิมแล้วไออัตราการเติบโตของสนิมยิ่งเร็วเป็นเท่าทัววิกล อ่าเข้าใจนะคือกราฟในการที่สนิมมันจะเกิดเนี่ยยิ่งมากขึ้นอัตราในการเกิดสนิมยิ่งเร็วขึ้นถ้ามีสนิมเกิดอยู่แล้วค่ะพระอาจรโทษนะคะอันนี้คือธรรมชาติของสนิมทั่วๆไปที่เราพบด้วยใช่แล้วจิตเราก็เป็นอย่างนั้นด้วยถูกต้องอ๋อจิตกับสนิมเปรียบเทียบกันได้ทีเดียวเลยอ่าถูกเลยมันแยบคายไงถึงว่าอุปมาอุปมยของพุทธเจ้าเนี่ยแยบคายตรงที่ว่าถ้าเรามีความเช่นโกรธอยู่ในใจเป็นอารมณ์อยู่แล้ว เ ร, เ, เราโกรธอยู่เรื่อยเนี่ยอะไรมากระทบปุ๊บมันยิ่งโกรธอะไรกระทบปุ๊บยิ่งโกรธแตคุณไม่รู้โกรธอะไรมาจากข้างนอกกลับมาถึงบ้านลูกถามว่าพ่อกินข้าวยังด่าใส่ลูกไงเอามันยิ่งโกรธนะเพราะอัตราการเกิดสนิมมันมาได้ตลอดยิ่งมีมากยิ่งยิ่งมีอยู่แล้วยิ่งจะเกิดได้มาก <c oughs> แต่ถ้าเรารักษามาอย่างดีแล้วนะทําความสะอาดได้บ้าแล้วจิตชั้นแจ่มใสใสสว่าง นะมีอะไรที่มันจะมาโกรธแบบชื้นมากๆเปียกมากๆ ม, มากระทบมันก็ยังไม่เป็นสนิมนะเช่นว่าคุณเอาจัาหวะใหมา่ๆไปทำอย่างดีมีคนโทรมาดา่าลูกค้าโทรมาทวงงานรีบจัดการแก้ไขเลยจิตใจเราสบายเราจึงต้องอย่าประมาทเลยละนะนะ ค, คือรักษาให้ดีให้ดีอยู่เรื่อยๆขัดอยู่เรื่อยเช็ดอยู่เรื่อยเนะช้านั่งเย็นนั่งนะมันก็จะรักษาเราได้ตลอดอือค่ะเพราไม่งั้นสนิมเกิดใช่เกิดแล้ว เกิดแล้วนี่มันแก้ยากคือกว่า ม, มันจะขูดออกนี่มันก็ต้องเอาเนื้อเดิมออกไปด้วยอะ่ะมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น่ยก็ได้เกรดได้วิธีเลยนะคะคือเหมือนกับว่าต้องให้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องการการักร้นในการที่เราจะพาตัวเองสู่การปฏิบัติให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาในตัวของเราแล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกามาชันทะพยาบาททีนมิทะความห่วงเหงาหานอนอุท จ, จจะกุตจจะใช่นนความ ค, ความฟุ้งซ่านําการใจความฟุ้งซ่านรําคาญใจและความลังเลสงสัยเคลือบแคลงวิจิกิจชาประเด็นตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิจิกิจชา น, นหนึ่งมาเวลาใช้ศัพท์เนี่ยจะต้องรัดกุมตรงที่ว่ามันแปลว่าความเคลือบแคลงเห็นแยง้ง ความเ ค, คลือกแกลงเห็นแยง้แย ง, ยงคือถ้าความสงสัยเป็นลักษณะของคําถามอย่างเงี้ยมันก็ใครๆก็ถามได้ภาษาที่บุตรบางทีก็ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบางทีก็ถามพระพุทธสาริบุตรอย่างเงี้ยถามด้วยจุดประสงค์ต่างๆกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีคําถามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงวิจิกิจารในทุกๆครั้งอย่างท่านอนาันทาบินทิกเศรษฐีเป็นโสดาบัญแล้วก็ยังไปถามธรรมะท่านภาษาบุตรก็มีท่านนางสุชาดาเป็นพระโสตบัญบานที่ก็มาถามธรรมะกับท่านพระอานุ์ก็มี แล้วก็ถามได้ไม่มีปัญหานั่นไม่ใช่วิจิกกิจฉาเพราะว่าคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยจะไม่เคลือบแคลงจะไม่เห็นแย้งในมัคในข้อปฏิบัติแล้วจะจะเรียกวเห็นไปในแนวทางเดียวกันแล้วใน ว, วิจิกกิจฉาเนี่ยคลายไปแล้วแต่แน่นอนระหว่างทางที่เดินไปคุณอาจจะเดินเจอต้อนไม้เจอดอกไม้คุณก็ถามไอ้นี่ดอกอะไรนี่ต้นอะไรแต่ก็ยังอยู่ในทางอยู่โพชงเป็นยังไงมัคเป็นยังไงอันนี้ถามได้จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนี้ค่ะ ความรู้ที่ได้จากประสุนในวันนี้เนี่ยนะคะจะทําให้เรานำเอาไปประกอบกับการที่เราตั้งใจจะปฏิบัติให้มีเครื่องกางกั้นน้อยลงไปหรือว่าทําให้เราเนี่ยไม่เกิดสนิมถ้าเป็นโลหะก็ไม่เกิดสนิมหรือเกิดขึ้นน้อยแล้วก็รู้ด้วยว่าจะต้องเร่งกําจัดรีบกําจัดอย่าปล่อยให้มีมานานนะคะท่านฝอนที่โครบดิฉันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเนี่ยต่อไปนี้ นําเอาพระสูตรนี้เนี่ยไปประกอบในการที่จะประยุกต์ใช้กับสภาวะใช่ใช่คำนี้ได้ไหมคะสภาวะของการปฏิบัติของจิตของท่านถูกต้องอันนี้ก็กราบนวัฒนการขอบพระคุณท่านเปี่ยบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพระสูตรนี้นะคะที่ท่านเปี่ยบุญได้นําเอามาฝากเราในวันนี้ก็คือสนิมจิตเทียบได้กับสนิมทองสนิมของจิตนั้นก็คือเครื่องกลางกั้น5้าอย่าง หรือว่าที่เรารู้จักกันบ่อยๆได้ยินมากๆก็คือนิวอนค่ะติดตามรับฟังรายการสรรเสนิสนทนาเพื่อทำความเข้าใจในคำสอนของพระาศาสดาการให้กว้างขวางคือได้รู้มีความรู้จากคำสอนของพระาศาสดากว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อการเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติของท่านทุกๆคนเลยนะคะดิฉันสรรเสนีนาภงก็ขอเชิญท่านทั้งหลายมาพบกับรายการนี้ และท่านเพริยนุฒิพิบุตรนอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกราบนมัสการขอบพระคุณแล้วก็พุทธวสวัสดีค่ะ